รอยหลวงปู่หมุนทิฏฐิสีหลวงเพชรน้ํา 1 แห่ง ในสยามประเทศของเราสยามประเทศของเราดินแดนอันได้ชื่อว่าอยู่ในร่มเงา คือพระปรมาจารย์อมตะเถระ 5 แผ่นดินปัจจุบันพระเครื่องและเครื่องล้างของปัจจุบันก็ มากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่ทันได้ๆมากมายเพื่อ ก็แม้อาจจะเป็นอุปสรรคในการจะคุ้มครองปก ปีชวด 2437 ในช่วงรัชการที่ห้าช่วงรัชกาลที่ 5ณบ้านจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษบิดาชื่อดีมารดาชื่ออั่ว หากุ้งกุ้งหอยปูปลาตามประสาเด็กกตัญญูแต่ท่านๆเช่นช้างป่าเสือโครงเสือสิงโตกระทิง ในสมัยนั้นสมัยนั้นท่านเป็นเด็กที่ชอบคอยๆที่ผ่านมายัง 14 ปีและนําไป ละมีวิชาอาคมที่เก่งมากในยุคนั้นหลันพออายุได้ 23 ปีได้เข้าอุปสมบทหมู่จํานวน 9 รูปหลวงปู่หมุนเป็นรูปที่ 9 พอดีนิยมลุงของท่านเป็นเจ้า ได้รับแปลว่าว่าจากนั้นแปลว่าๆในแถบได 4 ปีก่อนออกแสวงหาครูบาๆเพื่อศึกษาขันธธุระและๆขึ้นไปย้อน มีปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมีบุญญาธิการของมีอาชีพ จึงคิดไปตัดผมที่ร้านตัดผมในหมู่ จึงและอนาคตจะต้องได้เป็นใหญ่เป็นเด็กชายหมุนเลยเดินกลับบ้านมีบุญมาเกิดหน้ามีเหล่าเทวดามาบอกว่าอนาคต ผ้าเบื้องบนยังไม่มีคําสั่งให้ตัดท่านตัดได้ท่านถึงจะตัดได้ให้รอไปก่อนแล้วเราจะมาบอก ตอนนั้นหลวงปู่อายุได้ 14 ปีเห็นจะได้และก่อนเด็ก ได้รับฉายาว่าทิฏฐสีโลแปลว่าผู้มีศีลตั้งมั่นหลังจะบรมเกสาก็ต้องรอเบื้อง พระกติยาหลวงปู่จะไม่ให้ใครๆสร้างศาสนสถานต่างๆให้บวรๆท่านๆอย่า เมื่อท่านอักษรของฝึกพระกรรมฐานมาเป็นพระภิกษุในๆเพื่อปี 2364 ท่านจึงได้ ซึ่งลำบากยากเย็นอีกทั้งการศึกษาสมัยนั้นยัง ตำราพิชัยสงครามอย่างเช่นคัมภีร์ๆเหล่านี้จากสำนักตักศิลา เป็นแรงรวบรวมข้อมูลอัถันเวทต่างๆแห่งมณฑลตะวันออกหลวงปู่ท่านได้ หลังจากที่ท่านได้ศึกษาวิชาการต่างๆที่อุบลรัจธานีแล้ว ก็เก็บบาศปริฐานธุดING ผานถินธุรกันดารย์ในช л 하면บท เดินถ้าเปล่ามายังคลุเป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นครูท่องอินผู้เป็นครูสอนอยู่วัฒเทพพิดารามในสมายนั้นเป็นผู้เอื้ อรุณราชวรารามโดยพักอยู่กับพระภิมลธรรมนาคผู้เป็นๆและเป็นโอกาสอัน พระบาลีว่าด้วยคัมภีอรรถกถายากยิ่งที่จะมีผู้เรียนได้สําเร็จในปัจจุบันวิชานี้ได้ แก่ เถ른 สมเด็จพระพุทธาจารย์โตเพราะเหตุว่าหลวงพ่อเงินวัด อีกทั้งยังเป็นพื้นทุกขังอนิจจังอนัตตาพิจารณาสภาพพระ คัมภีร์มุนกระจายสูตรจากนั้นท่านก็เข้าตรวจสอบที่วัด ถ้าพูดต่อบาลีผิดเกิน 3 คำให้ปรับฉะนั้นมหาปริญสมัยก่อนจึงมีความสามารถ 6 หลวงปู่ท่านสอบมหาปริญได้ถึง 5 ประโยคในคราว ฝั่งธนบุรีเป็นเวลานานหลายปีด้วยความเป็น ท่านก็เริ่มปฏิบัติจนเป็นที่พอใจของพระอาจารย์หลังจากนั้นได้ติดตามพระอาจารย์ มักจะไปมรณภาพในป่าสิเป็นส่วนมากๆเข้าไปบําเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ใน 1 ปีในระหว่างนั้นมีพวก พระพุทธศาสนามันทําบุญเจริญภาวนาไปเสียทั้งหมดความสัมพันธ์กับเหล่าบูรพาจารย์ความสัมพันธ์กับพระอาจารย์ทิมวัดชังไห้ร่วมสร้างหลวงปู่ทวดในช่วงที่ท่านเดิน ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีบันทึกปี 2497 และได้รับความ แล้วก็ได้ทุดงเข้าเขตประเทศมาเลเซียเพื่อจะเรียนวันแต่ไม่พบจึงตัดสิน หลวงปู่หมุนคันได้รับบาดเจ็บเพียงเล็ก โดยพักอยู่กับเหล่าคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของชาวใต้เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาซึ่งกันและกัน และครอบคลุมให้กับท่านจนครบถ้วนตระบงวิชาความคุ้นเคย ได้ทรเวนหาพระไม่มีเก่งๆท่านก็เข้า 15 ปีที วัดสุทัศน์เมื่อทราบว่าหลวงปู่หมุนอยู่ที่ไหนทั้ง 2 รูป มิใช่เพียงเพราะว่าหลวงปู่หมุนรู้จักกับอาจารย์ของท่านชื่อหลวงพ่อหมุนนี่คือคํายืนยันจากหลวง ได้แนะนําเอาไว้ว่าให้ไปหาหลวงตาหมุนนอกจากนี้หลวงปู่ ท่านเคยถามพระอาจารย์มงคลว่ารู้จักพระมหาอำนวย 14 เป็นหมอดูเก่งมหาอำนวยเป็นลูกศิษย์ของข้าเองพระ มรณภาพท่านมีวิชาอาคมเก่งมากหน่าแล้วผู้รู้สิทธิ์บอกกันว่ามีวิชาอาคมเก่งมาก 90 กว่าอยู่ ต่อมาย้ายมาอยู่ที่วัดสำปฤ่มเป็นพระที่มีวิชาอาคมเก่งมากมีลูกศิษย์มากมายนอกจากนี้ยังมีครูบาอาจารย์ เนื่องจากวิชานี้หลวงปู่สีได้ร่ำเรียนสืบทอดมาเป็น เหตุเพราะว่าหลวงปู่หมุนท่านเป็นพระ หลวงปู่หมุนได้อยู่ปฏิบัติปรึกใช้พระอาจารย์มั่นอยู่ชาญครั้งนั้นท่านได้ศึกษาธรรม ครั้งหนึ่งหลวงปู่หมุนไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นท่านตรางศิษย์สายกองทัพธรรมอาทิหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวหลวงปู่หลุยหลวงปู่กิณารีหลวงปู่ หรือว่าให้สอบถามท่านแหวนได้เพราะเขาเก่งมากหลังจากนั้นใจสงสัยเกี่ยวเขียนเป็นภาษาขอมปริญญาดปฏิบัติและ 8 พร้อม หลวงปู่ได้มอบให้กับโยมแม่ท่านไปต่อมาหลวงปู่มีความ ติดต่อกับหลวงปู่สูงเทวดาเดินดินรุ่นรวยทันใจอีกด้วยหลวง และที่มาที่ไปอันลึกลับรวมไปถึงอุปนิสัยๆอย่างที่เหลือความคาดปี 2543 และด้วยอุปนิสัย ทางทีมงานก็ได้ขับรถไปรับท่านที่ทุ่งละลมจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่ กว่าที่ท่านจะชี้ให้ขับออกจากบ้านละลมก็เป็นเวลาพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว และแล้วความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อเสียงบอๆกันไปให้เร่งรีบก่อกองไฟและเตรียม แล้วท่านก็เทน้ําเดือดๆจากกาน้ํารดมือซ้ํายังเอามาลูบหน้าลูบตาเหมือนกําลังล้างหน้าและเทน้ําเดือดในการๆถวายหลวงปู่ เผาได้ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรที่คนนํามาถวายแม้เงินเป็นฟ้อนท่านก็ ที่สายศีลที่ท่านโยนเข้าไปในกองเพลิงที่ไม่ไฟนี่ก็นับว่าเป็นก่อนนั้นก็คือ ด้วยคิดว่าดึกมากแล้วคิดว่าดึกมากแล้วหลวงปู่หมุนท่านคงจะหลับจึงไม่ทราบ เหมือนอย่างที่เคยทําตามจริตของท่านแต่ เป็นอันสรุปได้ว่าท่านทั้งสองไม่ได้พบกันด้วยกาย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็ยอมของญาณบารมีแกร่งกล้าบริสุทธิ์ไม่แพ้กันทีเดียวนี่คือบริเวณกุฏิหลัง บริเวณตรงนี้จะเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากว่ามีชาวบ้านมาขุดเพราะ นี่คือต้นไม้ที่หลวงปู่หมุนปลูกทุกต้นที่ท่านปลูกท่านจะลงคาถาอาคมเอาไว้ที่ท่าน เมื่อประมาณปี 40 ได้มีโอกาสไปที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งไปกับพระอาจารย์จ่อยซึ่งสมัย 108 อาจารย์ ก็มีพระแนะนําบอกว่าเออหลวงปู่มนต์เนี่ยดอนนารังเนี่ยอยู่วัดป่าประชาสามัคคีเนี่ยท่านมาสร้างวัดอยู่ ส่งให้แต่สีพึ่งยังไม่ได้คนละ 150 ก็ได้ตะกรุดพอกลับมาวัดเนี่ยหลวงตาท่านอยาก คามืออยู่เนี่ยมันเก่งมันก็ทักมันก็ทักเลยต้องวิ่งไปแกะออกแกะตะกรุดออกจากมือแล้วเนี่ย พะเนนนำให้รู้จัก สจ. นภชอมอ่าหรือ สจ. หัวอ่า สจ. หัวก็ท่านก็ 1 ไตรมาสปี 4 านาน 1 คือ 1 ไตรมาส แต่ได้ก็พอดีปี 42 เนี่ยมีการสร้าง แต่ปุ๊บหลวงปู่มนนี่ก็เป็นพระ <c oughs> ก็มีรุ่นปี 43 รุ่น 25 มหาเศรษฐีส่วนรุ่นปี 43 นี่สร้าง 2 รุ่นรุ่น ค้าขายอะไรต่างๆเรื่องการติดขัดอ่ามีศิลป์ที่เค้ายังไม่เคยได้ใช้ๆเนี่ยครั้ง 218 พอพอทําชุดนั้นเสร็จปุ๊บอ่าเลข 3 ตัวเลยตอนนั้นๆเรื่องเรื่องของหลวงๆก็ๆ ยังยอมยมที่อยู่ศักแก้วเนี่ยอะอธิษฐานสินค้าไม่เคยจับรางวัลอะไรครบรอบจับรางวัลๆเนี่ยได้จับได้ เมื่อก่อนเนี่ยถามบอกเคยเป็นโอ้มันล็อกมันล็อกกันหรือก็ ท่านเปิดตัวเมื่อปี 42 มาถึงปี 46 ท่านมรณภาพไปเนี่ยแล้วเนี่ย ส่วนลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาๆไปนี่แหละที่สร้างรุ่น ปีโดยมั่นคงปีห้าเจ็ดนะโดยมั่นคงปี 57 เนี่ย ไม่คิดว่าคนจะมีศรัทธาในหลวง 999 เหรียญก็ไม่พอกันเป็นถึงขนาดว่า หาหลวงปู่เพื่อระลึกถึงท่านเพื่อให้ท่านช่วยเหลือพอได้ เจ้าอาวาสวัดป่าหนองลมตำบลหนองแวงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยม ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติธรรมใน หรือหลวง พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบันนี้หลวงปู่มนเรียกอาตมานาดีตอภิเษกหานของหลวงตอนอาตมายังเป็นลูกศิษย์ของ ก็มีอภินิหารหลวงปู่มุนนั่งสมาธิต้น ละมัน 50 ใหญ่ๆสูงอารามเพราะฉะนั้นชาวบ้านนะเกี่ยวกับอภิเณหานของหลวงปู่ ด้วยสายตาของอาตมาในวันนั้นกล่าว ตอนก็อภินิหารช่วงปู่มนต์มรณภาพไปแล้วก็อภินิหารช่วง ขึ้นสูเกือบท่วมหลังคาโบสถ์ในเสาร์ 5ณในวันเสาร์ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมาขาจะลงโดยอัตโนมัติลงมาหมดแต่เต้นยังไม่ลงขาลงหมดก่อนคนก็หนีหมด เต้นก็ลงมาถึงพื้นในวันดังกล่าวก็ลงมาถึงพื้นในปี 2557 ที่ผ่านมาได้ สดับรับฟังเกี่ยวกับเสา 5ๆนั้นเขาก็เห็นหมดทั่วหน้ากันในวัน ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันโอกาสให้ญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมด้วยช่วย สาธุนมัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อเอ่อเป็นอะไรกับหลวงปู่หมุนนะครับกันหลวงพ่อเริ่มบวชบวชเนนตั้งแต่ ออกจากจบ ป. 4 ประมาณจบ ป. 4 มันประมาณ 12 ปี 24 ปีตั้งแต่ 2486 2486 เลย 2486 อายุ 248 89 88 89 แล้ว อาจารย์เรียนหนังสือเมื่อหมดได้ประมาณได้ได้ 5-6 เดือนท่านก็ส่งไปเรียน 3 ขึ้นรถ แต่ก่อนนี้การขบวนรถไม่สะดวกนะโยมครับต้องกิโลนะจาก 20 กิโลไปหรือเนี้ยไม่<ะ> 20 ไม่<ะ> 15 ขึ้นรถไฟแล้วต้องสมัยนั้นรถไฟยังใช้อันนั้นน้อมโยมใช้ใช้ท่าใช้ทานท่าทานรถจากหัวน้อมแล้วท่านพากขึ้นนั่งตอนสมัยนั้นรถไฟไม่ ไปติดตามน้องครูหมุนตลอดเลยเออตอนนั้นเอาว่าก็ท่านให้น้องเข้าไปบวชกระสมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯท่านก็ไป 7ท ที่บ้านอาจารย์ผู้เรียนเสื้อนั้นรุ่นหนึ่งเป็นเป็นเนนเป็นอายุแก่ ไปเดินทุรงไปแล้วรู้ทราบเพราะว่าท่านก็ไปหายฮะฮะตอนนั้นเพราะฉะนั้นลูกพ่ออยู่ ดิเนี่ยก็ถึงมันจะถึงวัดเฮรานุชีก่อนแล้วหลวงปู่ก็ไปธุดงค์ภาคใต้ครับเออไปไปเหี่ยวไปมิ แล้วอภิหารของลูกปู่หมุนที่หลวงพ่อไปเจอนะครับที่ ให้ท่านเนี่ยนั่งรออยู่แล้วท่านถึงก่อนแล้วถึงก่อนแล้วๆนะท่านมาจะไปซุ่มนู้นมาจาก มันกลัวมันกลัวท่านมากแล้วก็ยกมือไหว้ว่าอยากขออย่าทำชายทำร้ายจะได้จะเอาอะไรก็ อ๋อให้ญาติโยมก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ญาติโยมทุกคนที่มาปี 5 ปีท่านก็มรณภาพแม้ถ้าท่านมา เขามาไปไหนมาไหนก็ไม่ได้อายุแก่แล้วก็มามานั่งหน้าพระที่บ้านเกิดน้อยๆที่อยู่แถววัดนี่มีแต่หลานลูกของพ่อนั้นนี่ 14 ก็เป็นหลานเคย พอกรรมการวัดก็มีแต่ลูกๆเหล่านั้นหลวงพ่อ ต่อไปก็จะปรับปรุงสนามไอ้ทิวทัศน์อยู่หน้าเทศาหลวงปู่นี่กรรมการให้เค้าจะเหลือห้องน้ําเก่ากับศูนย์น่าน่าน่าดูให้ชม กะจองทีมงานตะบุญทุกคนมาบริจาคร่วมกันก็ พร้อมกับอาจารย์คนเมืองมาอยู่ด้วยกันก็อยู่นั่นปี 30 ต่อมาก็ไปน้องกีบุรีรัมก็เลยไป อาตมาก่อนเป็นปลาเป็นดงสมัยก่อนอาตมาก็เลยไปหาหลวงปู่หลวงปู่ก็นั่งอยู่กระต๊อบแล้วกราบท่านหลวงปู่มาทําไมโอ๊ยมา จนเสน็จสนมพอครับ Stretch brayr เธอซิ вним discord named Regantris collect if it camera lawsuits and ก็หันไปหาหลวงปู่ถ้ารูปไม่ติดที่หันไปทางอื่นติดหันป่าหาหลวงปู่ก็ไม่ติดอ้าวโอ้หลวงปู่จริง รุ่นต่อโคดเลข 1 อายุ 103 ปีนั่นแหละอือก็ปีนั้นก็เลยปีทําเหรียญก็ได้นิมนต์ท่านประจํามรรษาแล้วประจํามรรษาที่บรรจานเอาเหรียญต่อโคดเลขอือปีต่อมาก็ แต่แต่มาตั้งกินละปรหมุนอยู่ปีเดียวคนซานเดียวที่วัดปางลมท่านก็คุยโอ้ยของฉันยังไม่เตาะพอนะขังพอดต่อไปหายากดันโอ้หลวงปู่นี่ชื่อคุยได้นี่แรงใจนะโหชื่อคุยโหพอพอมาถึงบัด ท่านบอกว่าถ้าคนถือสัจจะคือศีลอือถ้ามีศีลได้ต้องมีอือสัจจะข้อเดียวล่ะมีคนขาดสัจจะ ตอนตอนท่านมีชีวิตอยู่มาเท่าเยอะเหมือนกับท่านมีชีวิตงานการเงินติดต่อธุรกิจอะไรต่างๆทั้งนั้นอืมเป็นวาจาจิตอืมบางตัวมากหลวงปู่นี่ จับแขนกระฟุดนี้เลยเอาหลวงปู่ไปเรียนวิชาอะไรมาจับแค้นไม่ได้โห้ยไม่ได้หรอกคนสมัยเชื่อใจไม่ได้บางทีจับปั๊บเรานอนหลับเอาของไปหมดแล้วท่านว่าอ้าวหลวงปู่ท่านยังบอกอาตมาไว้ว่าอาจารย์จอยอย่าไปเชื่อใจผู้ใดง่ายๆนะเชื่อใจ อภินิหารที่กับพี่จ่อยที่หลวงปู่มาอะไรอย่างงี้นิมิตเหรอเคยมากถ้าอภินิหารเห็นก็โหก็ต่างยิ่งอาจารย์ขอนเมืองเออหลวงปู่ไปเอาพระคัมภีร์มาพาด แม่แสดงให้เห็นแต่ว่าท่านก็บอกอาตมาให้ภาวนาภาวนาคถาหัวอาจารย์จอยตรงไปกับปู่ หลวงปู่มุนทิตะสิโลนามเตก็เนี่ยเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่บอกอาตมาคืนนี้อาจารย์จ่อยให้ถ้าภาวนา เราภาวนาตลอดไปในขึ้นรถลงเออไม่กี่วันหรอกแล้วเออสมาธิก็นะครับของหลวงพี่ ปัจจุบัยนะไอ้เรื่องข่าวอะไรที่จะก่อสร้างตรงนี้บ้างครับที่จะเรียนให้กับเอ่อญาติก็ได้นํามาสร้างขึ้นมา ตั้ง 30 กว่าปีแล้วอาตมาเป็นองค์ที่ 2 ที่ได้มาอยู่นี่ก็จึงได้ทําหลวงพ่อธิเบตเทียนมาให้ญาติโยมได้อธิษฐานบารมีมา ตมัยเองก็เป็นประธานถงปี 49 ก็อยู่ไปเรื่อยผม อาจารย์สิเอกแต่พบเรืองวุฒิชนะปัจจุบันเป็นกรรมการสมาคมพระเครื่องพระบูชาสายหลวงปู่หมุนนะครับผมก็ 2541 ตั้งแต่ที่หลวงปู่หมุนท่านยังไม่ได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลนะครับก็ท่านท่านมาสร้างวัตถุมงคลครั้งแรก ที่วัดป่าหนองลมนะครับตัวหลวงปู่หมุนอ่ะท่านจะเป็นพระที่ เริ่มสร้างวัตถุมงคลที่วัดป่าน้องหล่ม 2542 นะครับท่านก็ เกิดขึ้นจริงกับตัวผมเองนะครับก็ช่วงประมาณ 2546 นะครับช่วงนั้นภรรยาผมก็ ในใจก็นึกว่าหลวงปู่หลวงปู่จะมีเหลนผู้ ก็เป็นเอ่อเม็ดถนวดพระดัง สมัยท่านยังยังสังขารอยู่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็สร้างปฏิหาริย์ไว้มากมายอันนี้ผมไป ท่านบอกเองเลยว่ามันจะเป็นลักษณะเป็นแสงนะครับท่านไม่ชอบ กดชัตเตอร์ไม่ลงประมาณหลายตัวเลยวันแต่ก็ไม่บ่อยนะครับช่างภาพหลาย ปี 2544 ก็ทางวัดป่าหนองหล่มก็จะนิมนต์หลวง ให้เลขมันออกตามรถนี้นะครับในปีแรกผม 25 นะครับ 2 ตัวงวดนั้นน่ะออกตาม อธิหารก็มีเพียงเท่านี้ของหลวงปู่นี้ผมจาก 11 ได้พบเรื่องวุฒชนะพืชครับตอนที่ปีเท่าใด พ.ศ. 2508 เรา มาที่ดินมันก็เป็นป่าเป็นป่าดงดิบเพิ่นแหละเออหลวงปู่ๆ พื้นที่ทางอยู่ตรงใดทางยุคนี้แหละหมอคุหีไอ้กุ๊ดน่ะแม้พี่ 2509 109 สร้างศาลาหลังนั้นว่าสร้างศาลาอ่าเราไม้อยู่นํามื้อนี้กะเอาไป ทำเห็ดจิ้นอันนี้เป็นศาลาหลังนี้วันนี้กิจวัตรประจำวันของหลวงปู่แต่มื้อแต่ละมื้อเพิ่น เอ่อลงงานของขานของหลวงปู่ที่ท่านเคยเห็น หลังใหญ่นี่บ่าโกดหลังใหญ่อือต่อเติมสร้างกุฏิหลัง ใช้ไม้ขึ้นมาบ่ได้ใช้ปูนดอกใช้ไม้สมัยเดิมมีแต่ปีเท่าใดเพิ่นได้เดิน 52 แหละครับไวธุดงคือประเทศลาวบ่ไปภาคอยู่ไดพ่อจําได้ กลับอยู่เบิ่งเออมาภาคอ่าอืมเท่านั้นก็เออพ่อพ่อนั่นก็ไปตามหลวงปู่ บ่เคยห่างบ่เคยห่างวัดดอกบ่เคยห่างพุทธิดอก หลังที่อาจารย์ขวนขอไปครับหลังที่อาจารย์ขวนขอมันผุมันพังขาดมันนั่นมันสิบ่ภิกขาร บัดนี้ทางโบสถ์ พ.ศ. เท่าใดทางโบสถ์พอนี่ก็หลวงปู่ก็มาวางศิลาฤกษ์ 2532 ถ้าชาวบ้าน 2000 อือ 22 มั้งครับเอ้าวันวันนี้ 18 19 อือนะก็ ตอนที่พ่อใหญ่ไปตามหลวงปู่อยู่ที่บึงเจอพระวิหารอีเจอเจอคือว่าหลวงปู่ๆอยู่ในป่าดงดิบพอๆอยู่ เลยบ่ฟังเออต้นไม้ล้มไปอ้อมๆไป 5 6 คนเดี๋ยวหลวงปู่อยู่ในกุฏิอ่าก็เลยถามหลวงปู่หลวงแท้ลมพัด ลมพัดนี่ลมลมแรงนี่หลวงปู่อยู่นี่บ่หลวงเอออ้าวหลวงปู่คือไม้ คนโดนหลายหลายหลายแบบไม่หลายในคนยังทอด พอใส่ของมาแล้วทําน้ํามนต์อาน้ํามนต์นี่หลวงปู่ รถน้ำมนต์ลงครูเด้อแล้วมีคนเคยได้ของจาก ตัวที่ว่ารถหายได้คืนนี่ก็มีบ่มีพี่รถแค่เพียง น้องผู้ชีของแคมเดือนมณีส่วนมากนี่หลวงปู่เพิ่นชอบสัน มันยิกโคปเนียาบาดนี้ชาวบ้านเก็บไข่ได้ป่วยมาว่าอุ้มๆต่อมา <co z Queen> อ้าวป้ายหายเด้ออ้าวเนี่ยก็ผมเห็นแต่แค่นี้แหละครับครับหายนี่บัดนี้ โดนถีเข้าแล้ววะอ๋อก็เอามาหาเฒ่านี่อือมาค่ากระหม่อมนี่ครับอือหายไปเลยอือ บ่านisen 순ราฬ еёalesกัростเลย บ่านเเหรอเจอประศพกาษขือตัวเอง่ril jamais ตอนบนลงภู 1991 Oraj. 159 นองพแย่ๆ bahwa ปีน oui, そこpit ไม่ analytical íll抱แหง ạ to the 5th session พมนะฝักดี ไปใหญ่มาบนหลวงปู่อยู่แหละบนหลวงปู่รูปภาพหลวงปู่นั่นแหละลูกจะยืน พอดีบินบนไปแล้วเป็นจังได๋บัดพอดีนั่งคู่เดียวครับเขามาจากกรุงเทพฯพอขับรถเขาขับรถมาจอดซื้อซื้อโจ้บ่ผมจําไม่ผิดยุงคนนั้นมา นี่ใช่บ่ใช่วัดหลวงปู่หมุนบ่ใช่ว่ะอืมบัดนี้จังได๋ต่อครับพี่ไปน้องหล่มมาไปหาไปทําไมครับไปหาของดีของ มาที่นี่มีมั้ยครับผมไม่ได้เอาผมก็มีผมนี้แหละครับ เขาไม่ต่อสักคำ 50,000 ครับมันจะเป็นแสนเสียแล้วว่ะหลาย เมื่อประมาณปี 2505 หลวงปู่มีโอกาสเลยผ่านมาแวะเยี่ยมและได้อยู่สอนพระปริยัติธรรมที่วัดเจยประสาทในสมัย เกรงว่าลูกจะอดอยากจึงไม่ให้ตามไปในที่สุดลุงสาได้ลาสิขามาแต่งงานมีครอบครัวและมา รู๋งปูจึงออกตามหาจนมาพบที่ดอนอรางช่วงนั้นรุงสาอยู่กับเมียรและลูกและรู๋งปูมาพักอยู่ด้วยที่บ้านบางทีก็นอนเฝ้าร้ tapping รุงสามานั่งคุยกับข้อเพราória จะดูไม่เหมาะสมรุงปูอยู่กับบ้านกับลูกกับหลานมาน่าแล้วจะดูไม่เหมาะสมถ้าคิดอยู่ที่นี่จริง มารร า, าห methyl geled by the plane. sharing writing to a tree with the arch et it's working on the tree full design to the tree ithalt be a� able to get surrounded by trees and give clothes a nice rêve and back as they build a들이 and somehow still hate them the food machine's responsibilities and also the local tree someof the vase but are the one yet has to raise them the ตอนมาปี พ.ศ. 2542 หลวงพ่อจ่อยที่ตามหาหลวงปู่จึงมาจําวัด หลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนติดสตาร์โลนะครับ ได้ปั่นจักรยานไปเที่ยวในหมู่บ้านตามปกติแล้วผมจะอยู่ที่ไปปั่นจักรยานไป กับญาติผู้ใหญ่เจอปู่หลานผู้ใหญ่ไปไหว้นะครับตามปกติของคนนะครับของคนชายนะครับ 2 คนตอนที่ชนคือไป ว่าเจ็บปวดหรือว่ายังไงไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง จะปวดนะครับก็ชนจริงแต่ก็ร่างกายผมพอได้นอนพักผืนที่โรงพยาบาล 2 วันนะครับก็ได้กลับบ้านมามาอยู่บ้านพักตัวที่บ้านแต่จริงๆแล้วตอนที่ผมโดนชนเนี่ยเห็นชาวบ้านที่รุมดูกันว่าผมนี่ก็ เราก็คงจะคิดว่าผมคงจะไม่รอดอ่าทางญาติทางพี่น้องก็คิดว่าไม่รอดแต่ว่า ผมก็เลยบอกกับปู่ว่าปู่ๆคือที่หัว ผมก็จะมีหลวงปู่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นของลูกชายนี่ทะลอกนะครับไปด้วยกันลูกชายนี่ เอ่อได้ไปบอกตอนที่โดนโดนรถชนเนี่ยชนแล้วมีอยู่ลูกชายผมไม่เป็นอะไรครับดวนชนด้วยกันนั่งไปด้วยกันแต่ลูกแมวแมวข่วนเฉยๆนะครับโดยที่ แล้วลูกชายผมเดินไปแล้วก็แปวสร้อยหลวงปู่หมุนมามาแขวนคอพอแขวนคอเสร็จกลางคืนมาก็ผมก็แอบแอบถอดสร้อยของลูกชาย สิ่งที่ลูกนับถือแล้วก็สิ่งเอ่อสิ่งที่เราได้เห็นวันนั้นถ้า ทำไมผมถึงไม่มีรู้ความรู้สึกเจ็บปวดเลยทั้งๆที่ผมเย็บ 20 กว่ากว่าเข็มแขนก็ไม่หัก กับหลวงปู่มูลทิฏฐิโณสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อๆนะคะดิฉันเคยนั่งสมาธินุ่ง 8 แล้วก็ไปเจอท่านเพราะว่าดิฉันขอพรจากท่านว่าอยากได้ของที่จําเป็นหรืออะไรสักอย่างนึงขอให้ท่านประทานให้ดิฉันดิฉันก็เลยเห็นท่านไปตอนกลางคืนที่ดิฉันนั่งสมาธิอยู่ท่านก็สูงโค้งคอลงมา ตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นมีคนเอาของมาให้เป็นมีเรขาสูงด้วยก็มีๆดิฉันอยากจะให้ คือจะได้ทุกอย่างที่เราขอนะคะอยากจะให้ทุกคนมากราบขากลับ จากผมเป็นคนขับรถมาสุทัศน์ผมเป็นคนขับรถฉันเข้าที่ลำตะคองพอดีร้าน 3 ทีหลังจากวัน แล้วพอจะออกจากร้านทางร้านเค้าถวายปัจจัยให้ลุง 400 แล้วก็เปลี่ยนกับลุงนายขับรถให้ลุงนายขับผมก็มานั่งอยู่ข้างหลังกับลุงลุงอินแล้วพอลุงนายขับไปประมาณ รถมาอย่างเร็วนะครับมาข้างหลังมาอย่างเร็วนะครับมาข้างหลังอ่ะ อัญญะนะปฏิบาในทานในศีลในรู้จักเคารพพระบาอาจารย์ตลอดถึงบิดามารดาสงฆ์เจ้าของสัทเทยนิยยอัตตตตปะโรสตุมะเตภววันตนายะโสเกยายะภวอะเกวะสันนะสังสังปะจาปะจายะ ให้จะนเมจะจูกระเมกชมสหลทอหลักทายมอโ่ธูจะมาทายหลในวันนี้ายโหลกให้เป็นอยาุว่ากขึ้นไหในเงินที่เจ้าไหเจ่อสวมุหมัดษนะหรือก็ถมือเจเขาได้งินหวดปเพื่อเเลยเป็นตัว